ปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนที่เป็นนักบวชจะต้องปฏิบัติเอาใส่ใส่รักษาใจท่งสนพราะนักบวชขาดธรรมะก็ไม่ีคุณค่า้ารอะไรนักบวชถี่จะเป็นผีเสื้อเรื่องใส เหการเว่าของประชาชนเพราะจิตใจของตนดีวิเศษหากจิตใจไม่มีธรรมะจิตใจจะดีวิเศษใจในได้เพราะงด้วยที่เหลือกันหาจะต้องเดียวเกาะพัวพันกับติตคิดลาจิตไปในทางต่ำเสมอ เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติจิตใจของคนทุกคนที่เกิดมามีที่เหลืปัญหาเดียวกันทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนๆกันไม่มีอะไรที่จะดีที่เกิดก่ากันแต่อาศัยการมาปฏิบัติอาศัยการสาจัดความเสื่อเสียต่างๆจึงดีจึงรู้สึกกินได้แม่พระพุทธเจ้าเอง ถึงจะเกิดเป็นกษัตริย์สังผัที่พ้นผ่านมานานนับกับนับกันเนดได้็ไมีวิเศษอะไรลาคาตัญหายังเป็นสิ่งที่ขอบงาจิตใจอยู่ตลอดมามาอย่างนั้นก็ไม่ล้เติบินมีบุตรผลยาได้มีการแสดงว่าทันยังมีวิเศษกัญหามาณทิิเหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายแต่เนื่อ าตซาบบาดเจอบที่เหลีอดปัญหาด้ืยแกเจ็บตายเป็นทางนำมาสิ้ทุกข์ผันจริงใดจะเด็ดออกที่เนดตไปกลมคือแสวงหาทางสายสรู้ทางออกจากทุกข์เพราะทุกข์มีทางออกจากทุกข์แต่ตองมีมืดมีสว่างมีเหนียวมีอิ่มมีหนึเป็นธรรมขู่กันเกิดมีตายมี แม่มีตายทํามหมาตายจะต้องมีนี่ครามผู้การเขียนของพระองค์ดิ่งเข้าในจุดนี้แผนที่เสด็จออกการอยู่พระราชการงานทุกด้านยุ่งเยิงยิ่งเปนผู้ใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบมากลาบากแต mm. ่มาภาวนาหลับตาพิเจ้านาจิตใจของตนยากเป็นผู้น้อยกดผูกผู้ใหญ่บังคับบัญชาและมีเวลาที่จะเป็นตัวของตัว มันยุ่งทุกอย่างเรื่องของโลกเรื่องของใจเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเรามีโอกาสเวลาโชคดีที่ได้มาบวเป็นพระเป็นเนินต่างหน้าต่างตาศึกษาธรรมะต่างหน้าต่างตารักษาจิตใจท่้งสอนสะดวกสบายง่ายหาพระเนนผู้มาประเทศปฏิบัติอาจ ท, ท, ทำ ไม่เห็นในเช่นในรู้ในทางธรรมะในเกิดมาเกิดผขน้นได้ในชาเช่นคนโลกตั่วไปก็ไม่มีทางที่จะจะเพื่อปฏิบัติได้เพราะเขายู่เหยิงในการงานและคิดอ่านเรื่องนอกมาก่าเรื่องภายในคือเรื่องเกี่ยวกับร้ายจิตใจของตนเรื่องพวเราที่จะมาเบวชเป็นคราเป็นเนรในเด้คิดอ่าน ทุกสิ่งทอย่างเขาสนับสนุนในเวลาอาหารการชันในเวลาพานุ่งพานุาน่มในเวลาว ท, ที่อยู่ที่อาศัยยาแก่โรคไข้ไข้เจ็บต่างๆไม่ค่อได้ซื้อในหามีโอกาสเวลาเต็มที่ที่จะไปทดลองปฏิบัติเพราะนั้นอย่านอนใจตายใจถึงความสุขยงแค่ได้กินได้อยู่ก็ถือว่าเป็นความสุขถ้าไปคิดเพียงแค่ น, นั้นจิตใจมันจะปวดฝันภายหลัง เคยเจือเหนือปัญหามันรบกวนนี่จะกินแต่นอนแล้วอํานาจของเจือเหนือปัญหาจะถัดดันออกมาอย่างแรงกล้าเพราะเมื่อมีการงานอะไรที่จะเหนือยเหนื่อยเหนื่อยหิวความปุงของจิตคิดไปต่างๆมันจะมากขึ้นุ่งขึ้นบังคับมาอยู่จึงควรจะหน่วยรักษาระวังการระวังจิตทชิงรวมจิต เป็นทางที่จะพ้นไปจากทุกข์จะไม่มีคนอื่นที่จะต้อรวมรักษาให้หนอกจากตัวของเราที่จะทั้งรวมใจทั้งตัวเองเพราะตัวเองจะรู้ว่าจิตของเราอยู่ด้วยจิตของเราไปไปหาอะไรไปหาหสติปัญญาริชาิมุตม่ตไปหาเรื่องที่เหลือกัหหนา ห, หนาเรื่องมางนะทิฏฐิเรื่องุ่มเรื่องหลงเรื่องโลกเรื่องตสงสารหายที่จ้านาคิดอ่านทุกระยะทุกเวลา ใจจั้งวะระวังจั้งหวมใจตัวอยู่สม่ำเสมอเดิมฟาไม่จะมาในหลายิัญญาบทใดใจจีแสสายโดยทางโลกในทางจิตมีเจติรู้จักมีปัญญาเนียสอนตัวเองคนนั้นจะสงบจะสุขจะสบายหาคนใดไม่ได้เอาใจใส่ยงจะมาอยู่อาศัยอย่างท่ศาสนาโดยกินก็กินใไปโดยนอนจะนอนไปโดยใช้สอยอะไรก็ใช้สอยไป โดยไม่ใส่คิดที่ไม่พิจารณาอะไรคนนั้นจะไม่มีทางเกิดสติปัญญาเกิดวิจารวิมุตติได้มีใจจะทุกขได้ลําบากเมื่อตายมีเพราะเหตุใดเพราะที่เหนือกันหามีกําลังใหญ่จะเผาใจทค้งตนนอกจากนั้นอายุพรรษามากเข้าผู้คนประชาชนเขาเขิดสองหาโอกาสเวลาที่จะเดินตรสมภาวนาที่จะเป็นของทั้งตัวหายยาก ระยะที่เราเป็นผู้เล็กเด็กแดงพระหนึ่งเลนน้อยเป็นโอกาสเวลามากที่สุดที่จะต้องติอกอบรมจิตใจทั้งตนเพราะไม่ไดรับภาระหนาาที่อะไรขอวัดปฏิบัติกับครูกับอาจารย์แต่นิดๆหน่อยๆขอวัดภชยในยวัดส่วนรวมผมมีน้อยเลยมีมากสิ่งใดที่จําเป็นครูอาจารย์ก็บอาา ก, บอก ให้ทำเท่านั้นวินาทีที่เราสิ้นระยะเวลาตักกราดตักน้าสงวน้ำอะไรทากันไปง่ายสะดวกโอกาสมีมากที่จะฝึกอบรมกายใจทั้งตนเม่อยังเด็กยังนุนอยู่ไม่เอาใจใส่แต่เมื่อแื่แล้วซึงก็จะยิ่งเส้นแสวงหาสีเรื่อสงบสงัดแสวงหาการปฏิบัติเกี่ยความทุก์ ยากลำบากพอมันสายเกินไปแล้วเหมือนไม้แก่ดัดยากดัดไม่ถูกก็อาจจะหักมันอาจจะอ่างอ่ะอายุแก่มากําลังมันส้างไม่มีจะเดินต้องซ้อมจนหมดตัวเหนื่อยจะนั่งเพราว่าน่าจะเหนื่อยจเหิอทุกสิงทุกอยางที่เหลือปัญหามันแก่ไปด้วยไม่ใช่แก่จะตายเท่านั้นระยะเวลาโอกาสอำนวยให้ รีบตั้งใจต่เพื่อปฏิบัติต้องรวมระ ว, วังตั้งหน้าภาวนาการภาวนาผมเคยเน้นสอนมาไม่ใช่ว่าแต่ครูอาจารย์องค์เดียวคือเราเคยศึกษาเคยศึกษามาหลายท่านหลายองค์บางท่านบางองค์ก็สอนอย่างนั้นบางท่านบางองค์ก็สอนอย่างนี้ตามหน้าที่ของท่าน ท, ที่จะสอนเราจะต่อพื่อปฏิบัติถนัด ก, กับโอวาทของทรยแบบไหนที่เรา เคยเพื่อปฏิบัติได้ผลคือความสงบมีฤเธิ์ในจิตในใจของตนให้เอาแบบนั้นให้ทาแบบนั้นอย่าไปตะคุกคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้ตะคุกเรื่อยไปอันนั้นจะมีอันนี้จะวิเศษลาะแหละเล้วไหลจับจดไม่เอาจริงเอาจังให้จะเลยจะเป็นอะไรให้วิเศษของใจมันสำคัญแต่ของโลกถ้ามันโง่มันไม่จะเป็นเจ้าของโลกไม่จะนา จับนำบุคคลให้ติดข้องในโลกนี่มันฉลาดยิ่งกว่าจับฝ่าบุคคลขั่วไปมันจึงจับจับจากบุคคลขังไว้ในทุกในสมุทัยเลื่อยมาเป็นคุกใหญ่ตารางใหญ่ขังสัตไว้โทษตลอดวันตายเดี๋ยวอำนาจก็คือเหตุปัญหาจับขังเอาไว้แต่เราไม่ทราบว่าเราถูกทเหตุจับขังตัวของเราแล่นไหม ตัวตาจอความเกิดตามตายเลื่อยไปพอใจในเห็นไทยนี่คือเรื่องขางกิเลสมันฉลาดล้อมคมแต่ตรวคนต่อสติต่อปัญญาไม่ได้ถ้าหาผู้มีสติมีปัญญากําหนดรักษาจิตใจประมวลใจของตัวอยู่สม่ําเสมอเห็นจิตใจที่เพื่อนข่านออกไปโยกคล้องกับปัญญาอารมณ์ของโลก ตื่นตักเตือนและนั่สอนตัวเองระวังรักษาให้อยู่ในขอบของอดของธรามไม่ออกไปสู่อารมณ์ภายนอกคนนั้นจิตใจจะได้รับความสงบจะได้รับความนีด้วยจะเห็นผลจากการการปฏิบัติของตนี้เนศคนต่อเย่างสติปัญญาไมยได้ใจที่จะ ยีจะป่องสายใจทู่จะบริสุทธิ์จงอาศัยจิตปัญญาเป็นเรื่องสําคัญเขียนศีลคือการรักษากายวาจานั้นเป็นพื้นของพิสุสามเณรทุกท่านที่จะต้องรักษาไม่ป่อยปล่าละเลยเพราะศีลเป็นเรื่งปดับของสมณะชาญนรรมในมีศีลถึงเพื่อจะเป็นเพื่อของสมณะเพื่อจะเป็นเพื่อพิสุสามเณร แต่เกานไปหนอยได้ผ่าชีนใหญ่เลียวแถานั้นเสียหายไปหมดผิวมีศีนบริสุทธผิวมีชีนที่มีที่สุดจึงเป็นผื่นนับถือกล่าวว่าไปสถานที่ใดสั่งาผ่าเผยไม่กลัวเล่าคนนั้นจะจินมินทาวากาอย่างนั้นอย่างนี้ตำมีชีนของตนชีนจึง เป็นหน้าจีของทุกคนจีเป็นนักบวชจะต้องรักษาอย่างเจงหวดขวดขันมาอย่างนั้นเสียจีนแล้วสมาธิปัญญาอย่าไปหวังเพราะีนเป็นบันไดขั้นต้นจะต้องไต่ขึ้นไปสู่ขั้นสองขั้นสามต่อไปถ้าไในนี้ขั้นต้นขั้นสองขั้นสามอย่าไปถามหาจึงควรรักษาให้ดีสมาธิเป็นขั้นสองจากขั้นของจี ก็ส่องอาศัยสติอาศัยสัญญาอาศัยปัทาอาศัยความเพียรทำไม่ใช่อยู่ดีๆสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิเกิความตั้งมั่นของใจสมาธิเกิดความรวมรวมของใจจะเป็นไชยิกะอุปจาระอัปปนาส่องอาศัยการศึกษาอาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยการจะทำบำเพรจึงจะเห็นเจ้าไม่ทำไม่บำเพรี แต่ต้อรวมระวังใจทั้งตนสมาธิจะเกิดขึ้นไนด้หากสมาธิเกิดขึ้นได้ง่ายได้อย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะหลงไหลไม่มีใครที่จะเสียหายเพราะต่างคนเกิดมาจะต้องมีสมาธิความตั้งมั่นของใจนี่นั้นเป็นอย่างนั้นต้องศึกษาต้องภาวนาต้องอบรมปัญญาการที่เจอนาบว้ ในกองสังขารจะเกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งมัน่นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจิตวันไว้จิตเอียงเอียงไปตามสัญญาอรมอยู่บ่อยแตที่เยนาเรื่องของสั ง, างขนในในารให้ถึงรอบครอบเป็นใจไม่ได้เห็นเป็นในจได้การละถอน้าจิตทางใจมันละถอนไม่ได้เพราะไม่มีกําลังทางสมาธิ สมาธิยังเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนจะต้องบำเพ็ญถึ ง, ถงะเะน้ลงถึงที่เป็นขาจากสัญญาอารมณ์ก่อตามสมาธิคือความตั้งมั่นของใจสมาธิคือความสงบของใจต้องมีไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นการละการบาเพ็ญการปลดการปล่อยของจิตของใจเราหลุดล่วงไปจากห่วงของความผิดข้องต่างๆ แต่หลงจะไหลเมื่อนิดเลื่อยไปหน้าที่เขาพิสูจน์สามมาเน้นไม่มีหน้าที่อื่นม่เด็ดทำไไถนาไม่เด็ดขาดท้ายไม่เด็ดทำลาภกิจการอะไรนี่จะตั้งใจจะปฏิบัติสอนตัวเพรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่สอนเราไม่เอาใจใส่ไม่ว่างานทั้งโลกด้วยงานเขาทํามันจะเป็นไปไม่ได้ควรอดอยากอยากจนทั้งทางดีเขา มีแข่งค้าเอาไว้เยวชนบูนก็เพราะทำเหยียดช้าไม่เอาฐานในการงานต่างๆคนขยันหมั่นเพียรจะไปอยู่สถานที่ใดจะอดอยากยากเพีพอเป็นพอไปพอผึ่งพออาศัยพอแสวงหาอยู่ทุกวันทุกเวลาเดี๋ยวมีงานเอาใจใส่ในงาน่ังหน้าจังตาทำงานเงินมันก็เกิดขึ้นมาสมบัติ ทัวอย่างเมื่อมีเงินเราต้องการสะหาซื้อไ ด, ด้สะดวกสบายเพราะคนคนเกิดม า, าเปืเ่อเปล่าเหมือนกันไม่มีไฟหางถามพอกเที่วัตถุอะไรมาแต่ที่มันอดยายากจนเพราะคนนั้นไม่ไม่มีความเฉยยหมันเทียนไม่ได้มีสติไม่ไม่มีปัญญาสติปัญญาในว่าทางโลกหรือทางธรรมจินจามเทน ที่จะต้องนะํามาทิ่นี้รนาะขาดในได้คนขาดเจตสิปัญญาเป็นคนทุกข์ยากลาบากอนาถาแจึงได้ไหว ร, รับอับปัญญารับไม่เกิดขึ้นเพราะปัญญาไม่มีถ้ามีปัญญาที่นี้ที่เจรนะขาขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าต่างตาทํางานรับจะเกิดขึ้นได้เรื่องภายในเร่องจิตใจก็ทํำนองเดียวกันตั้งหน้าต่างตา สังวรระวังรักษาทำงานภายในที่มีสติรักษากายใจทั้งตนจะทำจะพูดจะคิดผดถูกเสียดีอย่างไรต้องเรวจตาที่นิ้พิจเจนะอยากใจอยากทำอะไรก็ทำไปเดยความผักดันของจิตเหลือกันหาถ้าหากเราที่นิ้พิจเจนารอบครอบเยอะก่อนทำอะไรไปในใ่จิตใช่มัถูกต้องปัญญาจึงเป็นอย่างสำคัญ เราทุกท่านจะต้องมันที่นี่ที่เจนีน่เป็นเป็ัญญาทางนอกทางโลกปัญญาทางในคือรู้เท่าตั้งฐานทำตั้งขันแตหมายถึงปัญญาพิเจนะธาตุาขนภายในปัญญานี้เป็นปัญญาละเอียดปัญญานี้เป็นปัญญาที่แกตั้งขันพิเรศทําเจามองติดขวางขวางใจ เพราะทุกคนเกิดมามีกิเลสปัญหานำหน้ามักชอบสิดคิดตรงไปตามหูเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆไม่ว่าผู้หญิง่ว่าผู้ชายเหมือนกันหมดทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์เป็นอย่างนั้นขันจังหวะกรางวานโลกโลกสิดสิดคล่ อ, ามมาลลองอยู่ในตามตามกระไรจนรูกเสียงกลิ่นรสสัมผัส เยาวกรามมาโลกคนติด ข, ข้องเฉื่อเพลินในสิ่งเหล่านี้คือคนที่ในใจสติปัญญาที่นี้พิจรารณาติด ข, ข้องเรื่อยมานับพบนับชาดไม่ได้ใจแย่ขนาดไหนแตยังเหลงไหลเฉื่เพลินไปตามอย่างเหล่านี้เพราะขาดสติเพราะขาดปัญญาพิจารณาภายในขาดพิจารณาภายในปัญญาภายในที่พระพุทธเจ้า แนวสอนให้ที่เยนาเรื่องธาตุขันธาตุขันนั้นแต่ที่เยนาตัวของเราเองก็ได้ถ้ายังไม่เห็นเด่นชัดจะไปดูคนอื่นตัดอื่นกพอดูได้แต่ให้ดูด้วยปัญญาอย่าไปดูด้วยกิเลสัญหาถ้าดูด้วยกิเลสัญหาจิตใจจะุ่มหลงจะเพลเพลินติด ข, ข้อรักข้อเหวี่ยงชั่งต่าง ถ้าหาเด่ยวตันอย่างในเป็นอย่างนั้นจะดูหนุ่มดูสาวก็เหมือนกันจะดูคนแก่คนตายก็เหมือนกันดูให้เห็นแต่จากชัดเจนดูให้ทั่วในอาจจะ่าพหลังใจของหญิงชายเแบบนั้นให้เขาใจวเหมือนกันเหมือนกันอะไรคือใจรักอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ทุกขังหยุบยึดมันดม่นถือมัน่นเกิดทุกข์อนาาัตตาบังคับบัญชาได้มันเหมือนกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเรานอกจากนั้นจะพิจารณาใหเป็นธาตุจะเป็นธาตุอันเดียวกั น, นหญิงไม่มีชายไม่มีเป็นธาตุสี่เศรษินน้ำลมไฟเหมือนกันแกดีใจไปยึดไปถือไปมั่นไปหมายตามสมมติขอ ง, ง, งโลกว่าหญิงอะไร ชายและสวยและงามบ้านหนุ่บานสาวต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องของจริงของจริงธาตุอันนั้นขันอันนั้นคนฉะนั้นเรือสัตว์คนนั้นมันจะต้องเป็นของจริงอย่างนั้นคือจะเป็นธาตุทั้งสี่สิงที่ข้นแขงมันก็จะต้องละลายตายลงไปเปนดินเส้นสมผลรลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น เมอมันแตกสลายแล้วมันจะกลายลงมาเป็นดินเมื่อมันเป็นดินจีนทางแล้วอยู่อยู่ที่ไหนชายอยู่ที่ไหนหาไม่ได้ในนี้อยู่มีชายเป็นดินเหมือนกันน้ําก็เหมือนกันที่อยู่ในเมื่อในตัวของเราขันหรือคนอื่นมันก็จะต้องเป็นน้ําของมันละลายไปเป็นน้ําหรือออกเป็นไอายเป็นน้ําตามคำมชาชาดขาดขันของมัน เราขบเราฉันเราอาบอยู่ทุกวันนี้ก็ อ, อาจจะเป็นน้ําออกจากกายของหญิงขอชายของสัตวของบุคคลก็เป็นได้แต่มันเซึมซาบลงไปในบินหรือมันเป็นไอออกไปตามอ า, ากาศไปจาบ ก, ก้อนแล้เขาตกลงมาว่าน้ําฝนแต่ทําจึงออกจากสั ต, ตว์จากบุคคล น, นี่แหละเพราสัตว์ของแต่ละเต่าลำแต่ละบุคคลมันมีน้ําเหมือนกันแต่เราไม่เด็กทเจอนาว่าน้ําอันนี้ มันเป็นน้ำออกจากสัตว์ออกจากบุคค ล, ลหถือเป็นน้ำเฉยๆเดยไม่ได้คิดตรงหน้าวัวหน้าเกล็ดต่างๆแต่ความจริงมันออกไปจากนี้ถา้าพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงของธาตุจะเป็นธาตุบินก็ตามธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ตามมันเหมือนการหด อ, อย่างนั้นเราจะไปลหลงไหลไฝ่ฝันทําไมเราอย่างไรเขาต่ออย่างนั้น จะทาตุจะขันเหมือนกันจะไปหลงไหลกันทําไมให้ใจรู้ให้ใจเห็นให้ใจเข้าถึงถ้ากัญญาออกจิตจะไม่ยึดจะไม่ถือในเหื่องของสมมติมีมุดเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นไปแต่ฐานที่ใดเสมอไม่หลงไหลไปสถานที่ใดเสมอปิดข้องเมื่อเข้าใจตัวของตัวอย่างไรจัดบุคคลอื่นเป็นไปอย่างนั้นข้อสําคัญดูใจของตัว เหื่อยรูเหื่อเห็นอย่างนั้นจิตใจของเราป่อยวางละถอนได้ไหมหรือยังติดใจคล่องใจหมู่ว่ามีเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟว่าแต่สัญญาละเลิกได้จำได้แต่จิตใจยังคล่องจิตคิดตุ้งชอบว่าเสียอย่างนั้นงามอย่างนี้อยากเกบอยากช่มอยากได้มาเป็นของท่องตนนั้นไม่ใช่ว่จิตมันถอดมันข อ, อนเรื่องที่เหลือปันหา มันยังยึดยังค้องจะต้องที่นี้ทีจ้านาให้ถือจุดคล้องมันจุดคลองมันคือมันหลุดมันไม่ติดเห็นมันก็ไม่ตดได้ยินมันก็ไม่ติดในสิ่งหลนั้นนี่คือเดี๋ยวมันหลอกในตัวคลองมันถ้ามันหลอกจริงๆใจจังมัน่อยมันวางมันละมันถอนขาดจากความยึดความถือที่มีมาก่อนเราเองทราบในตัวของเรา กต่าจะก่อนพอเห็นเข้าได้ยินเข้ามันจิดมันคิดมันตรงในรูปในเสียงต่างๆระยะนี้ในเวลานี้เราจะพิสูจน์ปฏิบัติรูอัดธรรมภายในตัวของเราแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเห็นต่ตสักแต่เห็นได้ยินต่อสักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้วาวุ่นขุนมัวไม่มีอะไรที่จะมาทําตัวของเราให้เพลิดเพลินติดข้องเราท้า ภายในตัวของเราอี ahan, agen, ่เป็นการละการถอนการเห็นภายในเป็นปัญญาจิตสำําลาใจถ้าเที่ยงแต่จำนะคิดๆจงเอาเดาเอาเทนั้นยังละไม่ได้ละเอียดที่แคนะใครจิตเห็นตามเปนจริงจิตยอมจํานนในอริยสัจคือของจริงคือพระพุทธเจ้ารู้เห็นถ่ายในเป็นอริยสัจ มันยังแก้เลยได้เพราะนิโรธมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดเป็นจมูกไทยที่นความปรุงใจให้อยากไม่จิ่งอ น, นั้นพยายามที่นี้ที่ใจนาะพยายามศึกษาพยายามภาวนาภาวนาชีวข อ, อขงพิจิตรสามะเนโอกาสเวลาดีมากจะต้องพิจิปติบัติการใดเวลาใดจะพิจิตติบัติได้เวลานั่งคุยกันเวลา นั่งาำงานอันอื่นนั่งได้ระยะยาวนานแต่จะทิ้งเวลาคิดอ่านแก้ไขจิตใจท่องตนความนั่งเขา้าก็ไปจ้องไปมองแต่นาฬิกาจ้องแต่มองแต่วันเวลาว่ามันหมดไปมันเรมนานขนาดไหนใจมันตึงอยู่ทางนอกมันในเพลิดเพลินในการแก่ ท, ำำทําบําเพลิงท่องตนจิตใจมันในเข้าหาอาธพาธทำมันออกจานอกมันก็เลยไม่เป็น ผลจนประโยชนอะไรไม่มีคุ้นข้าไม่มีความสงบให้มีความสงบถ้ามันสงบมันถุกมันสบายการฝึกจิตให้สงบก็มีหลายวิธีที่เคยอธิบายให้ฟังมานับไม่ได้หรือครูอาจารย์องคอื่นท่านบอกเคยอธิบายมาแล้วแต่ใครที่ถนัดในท่าไหนแบบไหน จะทำใจผู้สอนให้สงมได้ไม่คิดทําไม่สงบคําสอนสิท่าสอนจะมีวิเศษขนาดไหนมันงตะคุดอยู่ตลอดไปถ้ามันสงบได้มันถูกอยากไปถืออยบครูองนั้นอาจารย์องนั้น่เสียงแผ่นดังดังแผ่นใจสอนทำแผ่สใจมันลุนักสนมา จำนวนมากคนมีแต่ชาเลื่อมสายเนท่านท่านสูตแล้วจะถูกของท่านทุกสิ่งทุกอย่างไปองนั้นคนไม่เลื่อมสายคนไม่นับถือ จ, จ, จัดจิตอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดดูจิตดูใจของตนโดยถ่ายเดียวอุบายปัญญาที่จะนำมาสอานจิตให้ไรับความสงบสงัดโดยอุบายใดวิธีใด เราทำได้เราเห็นผลเราเอาอนะันนั้นมาทำไสโหัของเรามันชอบแบบนั้นถูกยานั้นยาของเขาเป็นยาของเขาถูกหัวของเขายาของเราเป็ น, บบ น, นถูกหัวของเราเราต้องดื่มต้องทานต้องฉันจริงๆเป็นอยู่เป็นยาที่จะทำไส้หัวภ า, ายในเสียหายหรือสบายไป ธรรมมาขอพระพุทธเจ้าก็ทํานองเดียวกันครูอาจารย์ต่างชั้นต่างองค์ต่างเคยศึกษาต่างเคยภาวนามาชั้นเคยทาแบบไหนใจของทั้นได้รับความปล่องใสใจของชั้นละกิเลสท่านก็ทําใจตามหน้าที่ของท่านนํามาสอนตามความถนัดใจที่ท่านเคยทามาแต่ตัวของเราฟังแล้วเราจะเพปฏิบัติเข้าไม่เป็นไปตามเรื่องของท่านเราจะเอาแบบไหนมาสอนใจของเรา พับทุกสิ่งทุกอย่างทำของพระพุทธเจ้ามันมีมากพอเลือกหาได้ที่จะมาแก้ไขใจของเราที่ดื้อให้สงบสงบหาอุบายปัญญาแงสอนตัวจิตเวียร์นาเกิดตายเกิดตายก็ได้วิธกรรมเกิดตายเกิดตายโดยมความเหมือนกันเพียงแต่ทำถ่ากิตวิยาเดินไปเดินมาเท่านั้นพบาเดินกันทั่วโลก แต่ว่าตั้งเดินธรร ม, มาดาหมามันยิงเก่งกว่ามนุษย์วิ่งเร็วล้วสู่ไม่ได้แต่มันไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสอนใจมันจ็ไม่เป็นอะไรให้แต่ถ้ามีสติมีปัญญารักษาใจเดินไปคิดพิจารณาไปบริกรรมไปอย่าเพลอให้จิตใจออกไปทางนอกจะกำหนด การเหยียบลงคือเกิดยกขึ้นคือตายก็ได้กำหนดเลได้ทุกรา ย, ยะทุกเวลาจิตใจจะมีทางสงบระงับมันมีมากอุบายที่จะสอนใจหากเรนานำมาสอนแต่เรื่องคิดจงทายนอกทำไมมันมีปัญญาทำไมมันแส่สายมันเถเ่อน มัวเมาไปได้ก็เถียรต้สมาณะเพื่อสงบทําไมหาความสงบไปได้เนี่ยมันสงบไม่ได้ความสะดวกสบายมันจะเกิดมาจากที่ไหนอยู่ก็อยู่คนเดียวไม่มีอะไรมาเกาะเกี่ยวยุ่งเหยิงนั่งนอนคนเดียวไม่มีใครที่จะมาพูดจาพาสายไม่มีใครที่จะมารบกวน โอกาสเวลาทั้งกลางวันทั้งคืนมันมีมากหากจะสอนตัวพยายามทำถ้าทำไม่ได้คนไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้เป็นหน้าที่ของเราเดยเฉพาะต้งตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษากายวาจาใจทั้งตนใจไม่มีงบไม่มีความสุข สิ่งทีอยู่ที่อาศัยจะสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วใจมันยังมีความอยากใจยังยืนร้อนกระนกระวาแต่ในสิง่งที่มันชอบมันปิดมีอันนี้มายินดีในอันนี้ยินดีในอันใหม่เผือเชิญด้วยใจหนึ่เรื่องเข้าใจเป็นอย่างนั้นไม่มีวันอิ่มวันพอไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นรสหรือสัมผัสมีปัญญารักษาใจเดินไป จีวิตที่ น, นาไปไม่รูาจไปอยากเหอาให้จิตใจออกไปทางนอกอยากกำจดการเหยียดยองทื่เกิดยกขึ้นทื่ตายก็ได้กำหนดลยได้ทุกระยะทุกเวลาจิตใจจะมี้างสงบแล้วงั้มันมีแม่อุบายที่จะสอนใจหากเอานามาสอน แต่เงืนคิดภายนอกทำไมมันมีปัญญาทำไมมันเส่ยสายมันเถื่อนเมาเมาไปได้ก็เพื่อต้องสมัยนะ้เพื่อสงบทำไมหาความสงบไปได้เมื่อมันสงบไปได้ความสะดวกสบายมันจะเกิดมาจากที่ไหนอยู่ก็อยู่คนเดียวไม่มีอะไรน่ากอเกี่ยวยุ่งเหยิง อย่างนอนคนเดียววันนี้ใครถี่จะมาปวดจาตาใส่หรือมีใครถี่จะมารลบกวนโอกาสเวลาทั้งกัางวันกลางคืนมันมีมากหาจะถอนตัวพยายามทำแต่ทำไม่ได้ก่นไม่ใช่ค น, นคอื่นจะมาทำให้เป็นหน้าที่ของเราเดยเฉพาะต่างๆหน้าต่างาๆภาวานารักษากายว า, ยจายใจทั้งตน ใจในสงบในมีความสุขถึงที่อยู่ที่อาศัยจะสมบูรทุกอย่างแล้วใจมันกังมีความอยากใจยังยืนรอนกัวนกังวาแใจในสิ่งที่มันชอบมันติดอย่อันนี้มายินดีในอันนี้ยินดีในอันใหม่เทื่นเชิญด้วยใจอยู่อย่างท้องใจทุนอย่างนั้ น, น, ม น, มนไม่มีรันอื่มวพอไม่าดรูป ว่าเสียงว่ากลิ่นรสหรือสัมผัสจิตใจจะต้องย่งวุ่นเดือดไปถ้ทาไปเจน่าจับความเชื่อของมันความเสียของมั น, มนจับผิดของมันว่าคราวนั้นเป็นอย่างนั้นคราวนี้เป็นอย่างนี้ไปเจรูปนั้นชอบผิดแตามันเสียมันงามไปเจรูปใหม่ตายรูปนั้นเพิ่มไปแช่รูปใหม่หนี่ก็เืลใจในปกติ ใจ้นือยมีเมืองคเหนือหงอูกมีเท่าไรมันจะชอบจะติดจะคิดจะพงเลอไปอยากทามสุขจากรูปจากเสียงนั่นนั้นเป็นใเนอยได้เพราะรูปเสียงเป็นอันนี้จังรูปเสียงเี่ยงเหื่อมันเชี่ยงจิตใจจไปอาศัยของเหน่เชี่ยงมันก็เกิดทุกข์เพราะนไรตามความจัดนาของตนแล้วจะไ้จิตไปจิตไปขวางทำไมสอนใจของตัว อุบายปัญญาที่จะทีจะหนามันมากจะไปปล่อยวันคืนเดือนปีเห้ผ่านไปเพื่อตัไปเชื่อจิดของตัวยึด ก, ก่อนเชื่อธรรมของพรพุทธเจ้าไม่มีวันเวลาที่จะสงบสบายจะเป็นชาเป็นเมือลเป็นสมณะาดาได้นี่จะให้ว่าหุ่นคุณมัว่วยิ่งบ่อนเดิอนเดอเรื่อยไปอยูาา่สถานี่นั้นไปกับานที่นั้นเช่นก่อนจริงจ้ะต่างหน้าต่าง้าง ความเพลินภาวนาะพอไปถึงเท่า อ, อันนั้นในสงจอันนี้เในสบายเชื่จรงแต่หาที่ใหนเรื่ยไปทั่วโลกมันจะมีที่ไหนที่จะละถอนกิเลเข้าใจได้มีสถานที่ใดความสงบแตงัดหรือปัจจัยเชิงอาศัยพอเป็นใจจังหน้าต่างตาพภาวนาจหน้าต่างตารักษาจิตใจ ท, งใจทงองตนเอาจึงเอาจางังคนนั้นแหละจะอยู่กสฐานที่ใดจะมีความสุขความสบายภายใน ในอย่างนั้นไม่มีวันเวลายิ่งอายแ่อมาเท่าไรก็ยู่งจ่ไใหญ่คิตไใหญ่นี่ยวาดวาศาสนาไม่มีการมีงานไีรื่มีราวอะไรภายนอกมลคกับตัวเองออขึ้นยุ่งให้เวยงให้เสียวันเสียเวลาจำเพิ่มไม่จำเพิ่ไม่ได้คิดพออยู่ไปอยู่พอาไม่อ คิดใจะจะทำอันนั้นคิดใจะจะทําอันนี้เรื่องนอกนอกระงไม่ใช่เรื่องที่จะไล่จะถอนที่มีปัญหามันคิดเองการงานอันนั้นยังมีอยู่การงานอันนี้ยังมีอยู่ ม, มีโอกาส ม, มีเวลายังจะพอแนะ่ให้ก็ใครแหละบังคับใครไปทําแบบนั้นหน้าที่ของเราบวชมาอาจารย์สอนอย่างนั้นหรือ เหมาทำอันนั้นเห็นมาทำอันนี้แต่ถ้ามันจำเป็นจืิงจังมันต้องทำในทางธรรมะผูกภาวนาสัจจ์ผูกประโยชน์ริคือความกังวลเครื่องใจรักยอมพ่าดตันเล็บผมยาวเท่านั้นท้าเกเป็นเรื่องกังวลคือเราหาการงานยุ่งเหยิงยุ่งแต่นั้นมาทำมันจะเป็นเรื่องกังวลเค่องใจยอย่างไรคนที่มีเรื่องกังวล ขอใจมีการปรุงออกไปใา่นอกมันจะสงบระงับดับกิเนสได้อย่างไรนี่จะจะติดจะคล้องจะเพลิดจะเพลิน จ, จะลุ่มจะลงเลือยไปอย่าไปเอาเรื่องเหล่านั้นมาดับกิเลสกัญหามันไม่มีวันเวลาหรือไม่มีทางที่จะร ง, งับได้สอนใจทั้งตนระวังเอาใจใส่เราจะมีเวลาเล่นลอดออกไปเดี๋อไปทํางานท้า่นอกมันก็เิดตัวให้ ตลอดเวลาเหีือวใจมันเข้ามันออกมันผิดมันถูกอะไรมันก็ไม่ค่อยไดีดูคอดูแต่เรื่องข้างนอกสั่งใจกำหดนดสัจจิณี์อยู่ในตัวสัญญานิยอยู่ในตัว้าอาดกำหนดทีนีพิจารณาระบังรักษาจะสะาบดีจิตใจวันนี้มันเบามันสบาย จิตใจวันนี้มันละมันถอนที่เหลือปัญหาจิตใจวันนี้มันส่งมันปรงรักษาได้มันจะทราบเพราะเหตใดเพราะเรามีสติกําเนตอยู่รู้อยู่ยัองออกเข้าของมันถ้า ม, มีสติตล่อยมัยนไปตลอดวันตลอดเดือนละนั่งภาวนาก่เป็นจิริยาเริเ่มโยนกลมก่อนเป็นจิริยาใน่าบะจิตใจมันไหลไปเรืออ่องของโลกหรือเรื่องของธรรม พอได้เวลาสงควรเหนื่อยเหนื่อยเยอก็ขึ้นก็ลับกะนอนไม่เจอแค่นั้นไม่ได้สอบดูว่างานที่เราทำเป็นผลหรือไม่ได้อะไรมาไม่ได้คิดบอกรบดูถ้าเป็นอย่างนั้นทำอีกเลื่อยไปก็ไม่เห็นผลเลื่อยไปถ้าสอบสจอที่นิเทรนาภายใน จะต้องเห็นผลเพราะการกำหนดหรือกำหนดใจการมีสติปัญญามันไม่เสียผลมันุ่งมันโงกมันคิดมันจิดมันกว้างอะไรก็สร้างดึงมันเข้ามาที่เจรนาให็มันได้กำหนดลงไปใน จิตในใจท้องตนอยากพุ่งพุ่งออกไปข้างนอกสิ่งทั่วไปถภาใยในหลงจะมีอะไรมันจะเป็นทิศเป็นไทยจะนุ่มหลงถใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปกติดีงามทั้งนั้นพอใจวิตหริตทุกสิ่งมันขีดไปหมดข้างหน่าข้างเหนิบแต่ที่ว่าเป็นขหอม ขอเสืองามไปเข้าใจมันเหลอของในเกลื่ยนตัวถือว่าเป็นขอเกลื่อนขอเป็นพุกตัวถือว่าเป็นทวกมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของกเราท่านเพราะมันไม่ตกกะปิมันยังไม่ยีไม่สงบพยายามสอนพยายามฝึกในมีโอกาสเวลาใด ที่เหมาะได้ถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราฝึกแล้วมีโอกาสเหมาะมีเวลาพอที่จะฝึกเพรการงานอย่างอื่นไม่เคามีมาเกี่ยวข้องเหมมีการมีงานผี้มีคนเกี่ยวข้องผมเชื่อมีการมีงานภายนอกทำไม่ได้แบบนี้เอย่างภายนอกผมอย่างทั้งใจฟึ่งๆมารักษาแล้วก็เรื่องนี้โอกาสเวลา ตลอดตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งวันศุกหรือวันตายจะให้เชื่อในเรื่องวศาสนาเชื่อในรื่อในขนอย่างไรเพราะตัทงตัวเองใจของตัวเองไมเชื่เหนมันก็ม่เชื่อเหมือนตาบอดนั่นเ่งเชื่อว่ามีสีมีแสงอะไรเพราะตามันบอกมีแสงมันไเคเห็น จิตใจของพวกเราผ่านกับท่านองเดียวกันถ้ามันไม่เห็นในเป็นในตัวมันไม่เชื่อจ้องมันเห็นมันเป็นในตัวในต้องบอกมันจะรู้ความสงบมันเป็นอย่างไรความละถอนที่เหนือปัญหามันเป็นอย่างไรมันจะเข้าใจอยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติเพราสิที่ดีเรารู้เราเคยเห็นเคยเป็นสิ่งที่เชื่อที่เสียที่เราไม่จองการ เราคยเห็นเคยเห็นคนทั่วไปชอบสิ่งที่ดีไม่ต้องการสิ่งที่ชั่วมันจึงมีโอกาสอยากได้มีความเพียนในใจอยากจะทำเสื่อยเสียต่างๆนีงระวังรักษาตาเต่าออกไปไม่เห็นมั้ยย่งเย่อเกี่ยวข้องกับใจถึงได้ที่มันสุขมันส บ, บาย มันดีมันดีเสร็ใจมันต่สัมผัสล้วก็เพื่อปฏิบัติอย่างนั้นไม่ต้องบังคับบังชาถ้าหากมันเหนมันเป็นภายในความเพียรมันไหลตัวเองนี่มันไม่เห็นไม่รู้อาศัยตั้งแต่ความเชื่อคือเชื่ออาจารย์แต่เชื่อเองได้ไม่เชื่อไม่เนรู้เชื่อแบบนั้น มันในนานวันมันก็รบเรียนไปเหมือนกันกับของที่ไม่ย่อใส่สีธรรมสาต์ของมันเดี๋ยวมันก็หลอกไปจางไปสีถี่ย้อมพยายามทำให้มันเกิดมันเห็นมันรู้ภายในตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างไรเราจามีทางอื่น จะตเป็นอย่างนั้นเหนือกันหมดในทิ่แปลใจต่างกันการละขอ น, อนกิเลสปัญหาการเหมดสิ้นอย่างอาสวะข้องใจมันเหนือกันหมดพยายามทำพยายามบำเทนญให้มีสมณะสัญญา ตัวเป็นสมณะไม่ใช่ฆราวาธรรมดาเชื่อปัิวแฉะแตกต่างเขาที่อยู่ที่อาศัยปัิวแฉะแตกต่างกับเขาจิตใจภายในจะให้เป็นไปอย่างเขาเชื่อเชินอย่างเขาเชืเสียอย่างเขาไม่สมควรจะเชื่อท้องเราควรสอนใจของตัวอยู่อย่างนั้นรักษาใจของตัวเดี๋ยวสติดี๋ยวัญญา ต่งหน้ารักษาต่างหน้าบำเพ็ญความดีที่เราต้องการจะต้องเกิดขึ้นเห็นขึ้นจิตจิตใจด้อเดือดโก่งโก่งจะสงบจิตจิตใจจิดคล่องจะละถอนเพราะอำนาจปัญญาที่แกนาภายในกายใจอยู่เรื่อยเห็นเหลืองของตัวอย่างไร เร่อ ง, องขาสตร์อื่นคนอื่นมันเป็นเหมือนกันทั่วโลกมันเป็นเหมือนกันอดีตผ่านมาในตาบะกี่พันกี่หมื่นกีน่แสนกี่ من, กล้านปีมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้โคตจะไม่มาถึงพอท่านองโยคะเพราะไมนมีอะไรที่จะผิดแฉะแตกต่างกันอย่างวินิจฉัปัญหาเจ็บแก่เจ็บตายทานองโยกันหมดมันจึงไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังปัจจุบันเป็นอย่างไร อดีตที่ผ่านมาด้วออนาคตจะเป็นใปถ้าหน้ามันเหมือนอย่างปัจจุบันใจมันเห็นขนาดาติเดินอย่างนั้นมันไมมีอะไรเลีงไหลในรูปแลบเสียงและกลิ่นและรสและสัมผัสมันไมมีอะไรที่จะเลี้งไหลในจิตใจท่องตนจิตจึงสงบสบาย มันมีอันตรายมีการสาธุดปฏิบัติจะต้องเห็นชัดเดี่ยวตัวเองความสุขความสบายความละความถอนที่เหลือปัญหามันจะต้รู้จะต้องเข้าใจเพราะธรรมะเป็นสัจจะตังรู้เฉพาะตัวเป็นสันรพที่โกเห็นเองไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้เห็นให้ถ้าเราเพื่ผูกทํา มันเป็นอย่างนั้นไม่มีทางสงสัยทำไม่ถูกคิดถูกทำจะเป็นจะเห็ น, จ ะ, นจะรู้อย่างนั้นเล่ได้พยายามกระเพื่อปฏิบัติพยายามรักษาจิตใจข่องตนการสร้างวอนอินทรีย์เป็นทางที่ปฏิบัติไม่ผิด องค์ตาหูจมูกลื้นกายใจท้องสน้นไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงสิ่งลดสัมผัสหรืออารมณ์ที่นาเกี่ยวข้องฐานีสติประคับประคองสอนใจท้องตัวอันนี้รูปอันนี้เสียงอันนี้สิ่งลดสัมผัสอารมณ์จะไปยินดียินร้ายกับมันอะไรมันเคนมีมาจา่ไหนแต่ไร สอนใจท้องตัวเหรู้ให้พาใจในอารมณ์นั้นมันก็มีวันเป็นชาเป็นเนินได้เป็นสมณะเป็ผูส้สงบไ ด, ด้เป็นผู้ประเสริฐได้นี่หน่อยช่รักษาหน่อยชภาวนานะอยากจะต้มเท็จมันไม่มีทางที่จะพ้นจะหลุดจากทนิเวทได้ ขางวอนอินทรีย <inc meny S 1> ์เป็นธรรมะสี่พระพุทธเจ้าผู้ทั่วไปรับรองว่าเปิดทางในผิดโอกาสเวลาที่ได้มาบวชเป็นโชคดีประชาชนทั่วไปในโลกนับไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาเดินเป็นลมภาวนาที่จะมาเป็นชาติเป็นเงินทั้งเขามีโอกาส มีเวลาเหมือนกันแต่ศรัทธาภายในใจความเชื่อความเลื่อมใสพวกเขาไม่มีหรือบางคนก็ไม่มีโอกาสเวลาบางคนก็มีโอกาสเวลาแต่ไม่มีศรัทธาความพอใจเกิดทำในทุกสิ่งทุกอย่างเราพร้อมเหตุของเราก็เป็นเหตุของสมณะที่อยู่ที่อาศัยของเราเป็นเซตบ้างเป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติหลายที่ แล้วเราจะมาหลอกลวงตัวของเราเอาเถื่อนแต่เถื่นนะห่างหูหมอไว้แลีวใจของเรายังสกปะกเสมมอยู่จงวรเลยพยายานี่ยสอนตัวฝึกตัวปฏิบัติตัวใส่ใจคิดที่จะน่ะศึกษามีสติปัญญาเนี่ยสอนตัวคนนั้นแหละในวันใดสักวันหนึ่งจะถึง ที่สุดมีมดดั้งจะไปตายใจนอนใจจะเอาเดือนนั้นก่อนวันนั้นก่อนท่านตานั้นก่อนจึงจะทาถ้าไปโยนคําดีไปทางหน้าอย่างนั้นไม่มีวันมีเวลามันเคยรวมกันโยนทางหน้าเรียกไปโดยสารสุดใดไม่เอาจีงเอาจังให้เกื่ยวอย่างเขาเกี่เหลยวปัญหาไหมมีโอกาสเวลาจะทําความเสี่ยงไมมีโอกาสเวลาที่จะล้ที่นึ่ พยายามผมจีแน่แสอนตัวเองจ่ายเวลาำนวยให้กายตัมีโรคภัยอะไรเบียเดเบียนการงาน <c oughs> เรื่องรวมภายในวัดก็ไม่มีอะไรที่จะหนักหนาะพอเป็นอุปสรรคขัดข้องในการปฏริบัติ อย่เองจะทำความผ่ความเปลียนไว่ากัางวันกลางคืนอย่าไปเอาความสุขในการหลับการนอนการเร่นการเชิญแต่ความสุขจากความเคลี่ยนท้องสมวันนี้เราได้ทำอย่างนั้นวันนี้เราได้ทำอย่างนี้ไปรักษาจิตใจของเราอย่างนี้อย่างนี้ถึงจิตใจยังไม่เต็มไเห็นไม่รู้ไทยในมีการลาถอนกิเลสของใจ ยี่งจังเสียใจแต่เมื่อเลือดนึกคิดถึงการรักษาจิตทั้งตนเม่ปล่อยให้ไปไหลออกไปสู่โลกสู่ความชั่วเราก็ยังมีใจเรื่องของใาในตงนพูดมันยากเรื่องของใจเป็นเรื่องละเอียดจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาคือรักษาใจ หามีสติปัญญาก็รักษาไม่ยากหากไมีสติปัญญาก็รักษายากเ้ราะใจจะนามาทรมันอาจคิดโง่ผงไปตลอดเวลาในว่าเดินยืนหรนั่งนอนมันคิดมันรงอยู่เรื่อยไปอย่าเชื่อใจ่มีสติรักษาแใจมีสติจะอยู่อี้จะบวชได้ก็กำหนดอยู่เรื่อยไป ใจกะมีทางสงบระงับใจมีทำเป็นที่อยู่ที่อาศัยใจจึงสุขใจจึงสบายพยายางฝึกอบรมการอธิบายตรรมเห็นว่าพอสมควรเียเลละ